ซึ่งพระเดชพระคุณท่านได้บรรยายออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดไปทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกนาทีเป็นประจำทุกเดือนวันนี้จะนำท่านผู้ฟังเข้ามาศึกษาในเรื่องของการบุญการกุศลคุณความดีธรรมะพื้นฐาน เป็นธรรมะเบื้องต้นที่สาธุชนควรจะทําความเข้าใจวันนี้ขอนําเสนอในเรื่องความเป็นผู้มีบุญมาก่อนเป็นมงคลอันสูงสุดซึ่งเป็นหนึ่งในมงคลข้อหนึ่งในมงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุดเนื้อหาสาระของปาตกรถาจะเป็นเช่นไรขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจ ศึกษาสัมมาปฏิบัติโดยพร้อมกันณบัดนี้เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตามาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาตกถาถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนสาหรับรายการในวันนี้ อาตมภาพจะได้กล่าวถึงเรื่องความเป็นผู้มีบุญมาก่อนเป็นมงคลอันสูงสุดนี้ตรงกับบาลีพระพุทธภาษิตในมงคลสูตรว่าปุเพจกตปุญญาตาเอตัมมังคลมุตตมันตีซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันจะนำความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขมาสู่ตนเป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคล38ข้อที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงแก่เทพพระบุตรผู้เป็นตัวแทนของทวยเทพทั้งหลายมากราบทูลถามปัญหาเรื่องมงคลกับพระพุทธองค์แล้วเทวดามารพรมทั้งสิ้นในหมื่นจักรวาลก็ได้พากันมาประชุมในจักรวาล น, นี้เพื่อฟังมงคลละปัญหาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวิสัชนาในสมัยพุทธกาลนั้น ตามบาลีพระพุทธภาษิตว่าปุเพจกตะปุญญาตานี้แปลตามพยัญชนะก็แปลว่าความมีบุญที่ได้กระทาไว้แล้วในปางก่อนคำว่าบุญนั้นก็หมายถึงคุณความดีคือความประพฤติปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาและใจภาษาพระท่านเรียกว่ากุศลธรรมบางครั้งเราก็พูดรวมๆกันไปว่าบุญกุศลซึ่งเป็นคุณเครื่องชาระจิตสันดานให้บริสุทธ พองใสจากกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นเองบุญกุศลหรือคุณความดีนี้เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติบ่อยๆเป็นความดีที่ยิ่งยวดแก่กล้ายิ่งขึ้นในระดับชั้นต้นชื่อว่าบารมีนี้เป็นชั้นสามัญเมื่อได้ประกอบคุณความดีที่แก่กล้ายิ่งขึ้นไปอีกถึงระดับชั้นกลางเรียกว่าอุปบารมี ถ้าปฏิบัติคุณความดีแก่กล้าถึงชั้นสูงสุดชื่อว่าปรมัตุบารมีเพราะฉะนั้นพระพุทธดำรัสว่าปุเพจักตาปุญญาตาจึงแปลโดยอัดคือแปลโดยความหมายว่าความมีบุญบารมีที่ได้กระทำไว้แล้วในปางก่อนอันนึ่งพระพุทธดำรัสว่าปุเพนั้นแปลว่าในปางก่อนหรือในกนในการก่อ น, น, อนหรือแปลความสั้นๆว่ามาก่อน นี่หมายความรวมระยะเวลาที่ล่วงไปแล้วหรือมาก่อนแล้วทั้งในระยะเวลาใกล้ๆในพบชาตินี้และทั้งในระยะเวลาไกลคือในการก่อนมานานแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนอีกด้วยบุญกุศลหรือคุณความดีคือความประพฤติปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาและใจนี้มีมากมายหลายข้อแต่ก็มีหลักเป็นข้อสังเกตลักษณะ ของความประพฤติปฏิบัติดีที่ชื่อว่าบุญกุศลนั้นมีว่าเป็นคุณเครื่องชําระจิตสันดานให้บริสุทธิ์ผ่องใสาจากกิเลสตัณหาอุปาทานตามสมควรแก่ภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี้ข้อหนึ่งนำความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขมาสู่ตนและผู้อื่นด้วยนี้อีกข้อหนึ่งและเมื่อปฏิบัติยิ่งขึ้นไปแก่กล้าขึ้นไปเป็นบารมีอุปบารมีต่อต่อไปจนถึงปรมัตถบารมี ย่อมเป็นพลังหนุนเนื่องให้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขได้นี้อีกข้อหนึ่งคําว่าบุญหรือกุศลละบุญหรือบุญกุศลนี้ท่านหลายท่านอาจจะเข้าใจแต่เพียงว่าการเสียสละการบริจาคหรือการให้เท่านั้นที่เรียกว่าบุญจึงมักพูดกันแต่เพียงเรื่องการบริจาคทานว่าทาบุญทาทาน ความจริงคําว่าบุญหรือบุญกุศลนั้นมีความหมายกว้างคือหมายถึงคุณความดีหรือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาและทางใจคือเจตนาความคิดอ่านที่ดีด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมในชีวิตประจําวันทั้งหมดทั้งสิน้นเช่นการละเว้นความชั่วได้แก่และเว้นอกุศลกรรมบทละเว้นอบายามุขต่างๆและการรักษาศีลก็เป็นบุญกุศล การทำกิจการงานหรือการประกอบอาชีพที่ดีที่ชอบก็เป็นบุญเป็นกุศลการเจริญภาวนาสมาธิด้วยอุบายวิธีอบรมใจให้สงบให้สิ้นกิเลสนิวรณ์และการเจริญวิปัสนาภาวนาให้เกิดปัญญารู้แจ้งสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงก็เป็นบุญเป็นกุศลและก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ให้ผลสูงมากอีกด้วยกล่าวคือย่อมให้ผลเป็นความสันติสุขและความพ้นทุกข์ แกผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีอธต ร, รมภาพขอเน้นว่าข้อประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นบุญกุศลคุณความดีให้เจริญและแก่กล้ายิ่งขึ้นเป็นบารมีอุปบารมีจนถึงปรมัตถบารมีอันเป็นพลังเกื้อหนุนให้สามารถอบรมกายวาจาและใจของตนให้ถึงอธิศีลคือศีลอันยิ่งอธิจิตคือจิตยิ่งหรือสมาธิยิ่งและอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่ง กล่าวคือปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงอันมีในแห่งข้อประพฤติปฏิบัติอยู่ในอริมักมีองแปดอันเป็นทางให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและถึงความสันติสุขอย่างถาวอนั้นมีอยู่แต่ในพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้ง และตรัสรู้พระสัจธรรมด้วยพระองค์เองหนึ่งพระธรรมเจ้าคือพระสัจธรรมอันพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วหนึ่งพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วและพระสมุติสงฆ์ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่อีกหนึ่งชื่อว่าพระรัตนไตรัยคือแก้วสามประการนี้มีค่าสูงที่สุดในชีวิตของสัตว์โลกผู้มีปัญญา เพราะเป็นประทีปส่งทางชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายที่พอจะรับรู้เรียนรู้ให้ปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าให้สามารถนำความเจริญและสันติสุขมาสู่ตนและยังให้ถึงความสิ้นทุกอย่างถาวรได้อย่างแท้จริงจึงเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐสูงสุดไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าจึงขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจศึกษาพระสัทธรรมใหเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยตนเอง และปฏิบัติพระสัธรรมอบรมกายวาจาใจของตนให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตนเองอย่างแท้จริงบุญกุศลคุณความดีที่แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปถึงเป็นบารมีอุปบารมีและประมั m a t t ร a ีก็จะบังเกิดมีแก่ตนให้ดำเนินชีวิตของตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขด้วยตนก็จะสามารถมีตนเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้อย่างแท้จริงสมดัง พระพุทธภาษิต ท, ที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังะปะรปฏิทุลพังแปลความว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่มีได้ด้วยยากบุญกุศลคุณความดีที่ผู้มีปัญญาปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข ถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรได้พึงประพฤติปฏิบัติให้แก่กล้ายิ่งขึ้นเป็นบารมีอุปบารมีถึงปรมัตถบารมีให้สามารถเจริญสมณธรรมถึงมรรคผลนิพพานตามรอยบาทรพระพุทธองค์ได้นั้นมีสิบประการด้วยกันคือทานบารมีหนึ่งศีลบารมีหนึ่งเนคขมะบารมีหนึ่งปัญญาบารมีหนึ่งวิริยะบารมีหนึ่งขันติบารมีหนึ่งสัจจะบารมีหนึ่ง อธิฐานบารมีหนึ่งเมตตาบารมีหนึ่งและอุเบกขาบารมีหนึ่งเรียกว่าบารมีสิทธัตเมื่อคานวณบารมีรวมทั้งสามระดับจึงเป็นส0สิประการเรียกว่าบารมีสามสิบทัต ด, ดังจะได้ ก, กล่าวอธิบายขยายความแต่ละบารมีการบำเพ็ญบารมีและอานิสง์ของบุญบารมีเป็นลำดับตามสมควรแก่เวลาต่อไปคุณความดีข้อที่หนึ่งคือทาน ทานหมายถึงการเสียสละการให้ปันเป็นบุญกุศลคุณความดีขั้นพื้นฐานที่เมื่อเจริญแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีชื่อว่าทานบารมีทานอุปบารมีและทานปรามัตถบารมีตามลําดับย่อมเป็นอุปการะให้บุญบารมีอื่นๆเจริญขึ้นด้วยความหมายของคําว่าทานแปลว่าการให้ประการหนึ่งและแปลว่าสิ่งที่ให้นี่อีกประการหนึ่งฉะนั้น คำว่าทานโดยความหมายรวมๆก็คือการเสียสละการให้ปันทรัพย์สิ่งของของตนหรือวิชาความรู้และธรรมะอันควรให้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์หรือเพื่อบูชาคุณหรือเพื่อตอบแทนอุปการะคุณแก่บุคคลที่ควรให้ทานโดยความหมายที่เป็นบุญบารมีนี้จึงมีข้อสังเกตว่าเป็นการสละการให้ปัน อันเป็นการกําจัดกิเลสคือความตระหนีเหนียวแน่นและความโลภความเห็นแก่ตัวจัดอันเป็นคุณธรรมเครื่องยังจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่ประการหนึ่งสิ่งที่ให้ปันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิ่งของหรือวิชาความรู้และธรรมะเป็นสิ่งอันควรให้คือเป็นทรัพย์สิ่งของที่ดีที่มีคุณประโยชน์แก่ผู้รับเป็นวิชาความรู้ที่ดีมีประโยชน์แก่การดาเนินชีวิตและกิจการงานในอาชีพที่ชอบ และเป็นธรรมะคือข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบที่เมื่อประพฤติปฏิบัติตามแล้วย่อมได้รับผลดีเป็นความเจริญและสันติสุขไม่เป็นไปในทางเสื่อมหรือเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนี้อีกประการหนึ่งเป็นการให้เพื่ออนุเคราะห์ผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากหรือมีความทุกข์เดือดร้อนให้พ้นทุกข์หรือเพื่อสงเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นให้มีความเจริญและความสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป หรือเพื่อบูชาคุณความดีหรือเพื่อตอบแทนอุปการะคุณแก่ผู้มีพระคุณนี้อีกประการหนึ่งและเป็นการให้บุคคลที่ควรให้ซึ่งดีกว่าการให้บุคคลที่ไม่ควรให้นี้อีกประการหนึ่งจึงจะเกิดประโยชน์คือมีผลมากมีอานิสงส์มากวัตถุทานอันเป็นเครื่องที่เขาให้หรือถวายให้แก่พระภิกษุสงฆ์เรียกว่าไตรยธรรมบางทีก็เรียกว่าเครื่องไตรยธรรมบ้างเครื่องไตรยทานบ้างก็มี ของที่ทําบุญทําทานเพื่อผลอันเจริญพระท่านเรียกว่าทักคีนาหรือทักศีนาเพราะเหตุนั้นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายท่านเรียกว่าทักคีนานุปทานหรือทักศีนานุประทานดังนี้เป็นต้นทานแบ่งตามลักษณะสิ่งที่ให้เป็นทานนั้นมีสองอย่างคืออามิสทานได้แก่การให้วัตถุหรือทรัพย์สิ่งของ ได้แก่ปัจจัยสี่เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยตลอดทั้งเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเป็นต้นนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือธรรมทานการให้ทำเป็นทานกล่าวคือการให้คําแนะนําสั่งสอนข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดทั้งวิชาความรู้ที่ดีที่มีประโยชน์แก่การดําเนินชีวิตแก่การงานในอาชีพที่ชอบเป็นต้นในทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศคือมีอานิสง์ มีผลมากกว่าอามิสทานอันนึ่งทานแบ่งตามเจตนาของผู้บริจาคให้โดยเฉพาะเจาะจงบุคคลหรือให้แก่ส่วนรวมท่านแบ่งเป็นสองคือทานที่ให้หรือถวายเฉพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสามเณรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี้ชื่อว่าปาติกบุคคลิกทานนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสังฆทานได้แก่ทานที่ให้ทั่วไปทั้งหมู่คณะ หรือถวายแก่พระภิกษุสงฆ์โดยส่วนรวมไม่เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งในทานสองอย่างนี้สังฆทานมีผลมากมีอานิสงฆ์มากกว่าปาติบุคลิกทานบุคคลผู้บริจาคหรือให้ทานเป็นชายพระท่านเรียกว่าทายกถ้าเป็นหญิงท่านเรียกว่าทายิกาและสําหรับผู้ให้ทานด้วยใจศรัทธาท่านเรียกว่าทานบดีด้วยความหมายว่าเป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าของทาน บุคคลผู้รับทานหรือรับของถวายพระท่านเรียกว่าปฏิคาหกและท่านเรียกผู้ที่ควรแก่การรับของที่เขาทำบุญหรือถวายทานให้ว่าทักขินัยบุคคลคือบุคคลผู้ควรรับของที่เขาทำบุญเพื่อผลอันเจริญกล่าวคือบุคคลที่ผู้ใดทำบุญถวายทานแกท่านเหล่านี้แล้วมีผลมากมีอาณิสงมากได้แก่พระอริยะบุคคลหรือพระอริยสงฆ์นับตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันขึ้นไป ถึงพระอาหารหันตสาวกพระอาหารหันตปัจเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและแม้ผู้มีคุณธรรมตำรองลงมาได้แก่บิดามารดาซึ่งเปรียบเสมือนพระอาหารหันตของลูกผู้ทรงศีลทรงธรรมและผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความบรรลุพระโสดาปติมักขึ้นไปเป็นต้นก็ยังมีอานิสง์มากมีผลมากจึงนับเนื่องอยู่ในทักษินัยบุคคลด้วยเหมือนกันอานิสงคือผลบุญเนื่องในการให้ทานนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ประทับอยู่ที่กุตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีได้ตรัสแก่เสนาบดีชื่อสีหะปรากฏในสีหสูตรว่าด้วยผลแห่งทานห้าประการมีความดังนี้ <c oughs> ดูก่อนท่านเสนาบดีทายกผู้เป็นทานบดีย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากแม้ข้อนี้เป็นผลแห่งทานที่พึงจะเห็นได้เองใน ปัจจุบันนภพอีกประการหนึ่งสัตบุรุษย่อมคบหาทายกผู้เป็นทานาบดีแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้เองในปัจจุบันนภพอีกประการหนึ่งกิติศัพท์อันงามของทายกผู้เป็นทานาบดีย่อมกระจดกระจายแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้เองในปัจจุบันนภพอีกประการหนึ่งทายกผู้เป็นทานาบดีจะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดๆ คือที่ประชุมกษัตริย์พรามขหบดีสมณนะก็ย่อมเป็นผู้องอาจไม่เก้อเขืนเข้าไปแม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่พึงจะเห็นได้เองในปัจจุบันภพอีกประการหนึ่งทายกผู้เป็นทานบดีเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในสัมปรายพภคคือในภพหน้า และยังได้ตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าด้วยอานิสงส์ของทานประการสําคัญมีปรากฏในทานานิสังสูตรอีกด้วยว่าผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมากชื่อว่าดําเนินตามธรรมของสัจธรุรุษสัพพุรุษผู้สงบผู้สํารวมอินทรีประกอบพรหมจรรย์ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อสัพพุรุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาเขาได้ทราบชัดแล้ว ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมีได้และปรินิพานในโลกนี้เฉพาะอาไรสงฆ์แต่การให้โภชนาหารเป็นฐานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะเป็นฐานชื่อว่าให้ฐานะหอย่างแก่ปฏิคขาหกหอย่างเป็นไฉนะคือให้อายุหนึ่งให้วรนละหนึ่งให้สุขะหนึ่งให้กำลังหนึ่ง ให้ปฏิพานหนึ่งครั้นให้อายุแล <week ly> ้วย่อมเป็นผู้ม <week ly> ีส่วนแห่งอายุทั้งที่เป็นทิพย์และทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้วันละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันละทั้งที่เป็นทิพย์และทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขนั้นทั้งที่เป็นทิพย์และทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้กําลังแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งกําลังทั้งที่เป็นทิพย์และทั้งที่เป็นมนุษย์ครั้นให้ปฏิพานแล้วย่อมเป็นผู้มีส่่่วนนนแหงงปปฏิิพาทททั้ีเ็ ทั้งที่เป็นมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โพชนะเป็นทานชื่อว่าให้ฐานะห้าอย่างนี่แหลเพราะเหตุนั้นทานบดีผู้มีอัตยศัยในการเสียสละการให้ปันด้วยจิตศรัทธามาตั้งแต่พบชาติในอดีตจนถึงพบชาติปัจจุบันจึงชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบารมีอันได้กระทำไว้แล้วมาก่อนย่อมเป็นผู้เจริญด้วยมนุษย์สมบัตในพบชาตนี้ ถึงสวรรค์สมบัติในภพชาติต่อไปโดยฐานะหได้แก่เป็นผู้มีอายุคือเป็นผู้มีอายุยืนวันณะคือย่อมเป็นที่รักของชนทางหลายและย่อมเป็นผู้มีความเจริญด้วยชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติศักสุขะย่อมเป็นผู้มีความสุขด้วยทรัพสมบัติและบริวารสมบัติอันเจริญพรรคือย่อมเป็นผู้มีสุขภาพภรณาไามยดีปฏิพาน คืย่อมเป็นผู้มีและเจริญด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถคู่กับคุณธรรมและเมื่อได้ปฏิบัติเพิ่มพูนทานกุศลจนแก่กล้ายิ่งขึ้นเป็นทานบา ร, รมีทานอุปบา ร, รมีและทานปรมัตถบา ร, รมีก็ย่อมเป็นอุปการะแก่การประกอบคุณความดีข้ออื่นๆให้เกิดและเจริญขึ้นต่อต่อไปจนครบบา ร, รมีสิบทัศน์และถึงปรามัตถบา ร, รมีรวมเป็นบา ร, รมีสิบทัศน์บริบูรณ์อันรวม เป็นภลวะปัใจจัยให้สามารถบำเพ็ญสมณธรรมให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขได้อย่างแท้จริงและถาวรบุญบารมีด้วยการเสียสละ <c oughs> และการให้ปันชื่อว่าทานบารมีนี้จึงเป็นพลวะปัใจจัยให้ถึงนิพพานสมบัติด้วยอาการอย่างนี้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสทานหนึ่งในมงคล38ประการว่าเป็นมงคลสูงสุด คือเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญและสันติสุขและเป็นพลวะปัจใจที่สำคัญที่สุดประการหนึง่งให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงได้ <c oughs> มีข้อที่พึงสังเกตและพึงสังวร อ, อยู่ว่าความเป็นผู้มีบุญอันได้กระทํามาก่อนอย่างเช่นบุญบารมีด้วยทานกุศลดังที่กล่าวเป็นข้อแรกนี้ก็จะต้องประกอบคุณความดีบุญบารมีข้ออื่นๆประกอบกันไปด้วย ทานกุศลจึงจะให้ผลสมบูรณ์ดังตัวอย่างเช่นผู้เสียสละผู้บริจาคทรัพย์สินของให้เป็นทานแม้มากหรือบ่อยๆแต่เบื้องหลังเป็นผู้ประกอบอาชีพทุจริตหรือชอบโกงเขาเลี้ยงชีวิตหรือประกอบกรรมไม่ดีอย่างอื่นเช่นหมกมุ่นหรือสำส่อนในกามหรือติดยาเสพติดต่างๆเป็นต้นกรณีเช่นนี้กรรมชั่วที่ตนได้กระทําไปแล้วมากและหนักเพียงไร ย่อมทำหน้าที่เป็นอุปปีรกะกรรมเพียงนั้นคือเป็นกรรมบีบขั้นหรือเบียดเบียนกรรมดีที่ได้เคยทำมาแล้วให้อ่อนกําลังลงคือให้ให้ผลช้าลงหรือให้ให้ผลไม่เต็มบริบูรณ์และให้ได้เสวยผลจากกรรมดีไม่ค่อยสะดวกคือไม่สุขสมบูรณ์ดีเท่าที่ควรเพียงนั้นแต่ถ้าได้ประกอบคุณความดีอื่นๆควบคู่กันไปด้วยเพียงใด กรรมดีอื่นๆย่อมช่วยทําหน้าที่เป็นอุปันอุปัตถมพกกรรมเพียงนั้นคือกรรมดีที่ทําควบคู่กันไปนั้นย่อมเข้าสนับสนุนกรรมดีด้วยกันให้ให้ผลเร็วและเต็มบริบูรณ์และให้ได้เสวยผลจากทานกุศลที่ได้เคยทํามาแล้วด้วยความสุขสมบูรณ์เพียงนั้นกล่าวโดยส่วนรวมทานกุศลจะเป็นมหานิสง์มีผลมากก็แต่โดยมีความบริสุทธิ์ทั้งสามฝ่าย คือฝ่ายผู้ให้คือธานบดีผู้เป็นเจ้าของทานฝ่ายนึงเป็นคนดีมีคุณธรรมคือเป็นผู้มีศีลมีธรร ม, ม, รรมเป็นสัมมาทิฏฐิมีจิตศรัทธาและมีเจตนาที่ดีที่บริสุทธิ์คือมุ่งให้ด้วยหวังจะอนุเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นทุกข์หรือสงเคราะห์ให้ได้รับความสันติสุขโดยไม่มุ่งหวังเครื่องตอบแทนทั้งก่อนแต่จะให้ทั้งขณะที่ให้และแม้เมื่อภายหลังที่ได้ให้แล้วก็ยังมีจิตศรัทธายินดีที่ได้ช่วยเปลื้องทุกข์ หรือให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นอย่างนี้ย่อมเป็นมหานิสงคือทานกุศลนั้นย่อมให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขแก่ผู้ให้ต่อต่ อ, ตอไปทั้งในปฏิสนธิการคือตั้งแต่แรกเกิดตลอดวัยกลางคนและถึงวัยชราฝ่ายผู้รับอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนดีมีคุณธรรมคือมีศีลมีธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิหรือกาลังปฏิบัติพระสัทธรรมเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสของตน กำลังประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและทั้งช่วยเผยแผ่พระสัทยธรรมที่ตนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมที่ดีคือให้ทำเป็นทานแก่ผู้อื่นตามสมควรแก่ภูมิธรรมของตนชื่อว่าทักษินัยบุคคลนี้ย่อมยิ่งด้วยมหานิสงคือมีผลสูงกว่าการให้ทานแก่คนชั่วหรือแก่คนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมประจําใจและเป็นมิจฉาทิฏฐิมากมายนัก ดังธรรมภาษัสิตในขุตกะนิกายชาดกมีความว่าผู้ใดให้ทานในคนที่ไม่ควรให้ไม่ให้ในคนที่ควรให้ผู้นั้นถึงความทุกข์ในคราวมีอันตรายก็ไม่ได้สหายผู้ใดไม่ให้ทานในคนที่ไม่ควรให้ให้ในคนที่ควรให้ผู้นั้นถึงได้รับความทุกข์ในคราวมีอันตรายย่อมได้สหายอีกฝ่ายหนึ่งคือทรัพย์สินของหรือข้อธรรมะ ที่ให้เป็นทรัพย์สิ่งของที่มีคุณภาพดีและที่ได้มาโดยความบริสุทธิ์ไม่ใช่เอาของเสียเสียหรือของที่ใช้แล้วที่ไม่ประสงค์จะเก็บไว้ให้รกบ้านรกช่องมาให้หรือมาถวายพระแนะหรือให้ข้อธรรมะหรือข้อแนะนําในการปฏิบัติที่ดีที่กอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือเป็นข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์เป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตและหรือให้ถึงความพ้นทุกข ไม่ใช่ข้อปฏิบัติชั่วร้ายที่กอบด้วยมิจฉาทิทฐิที่จะนำไปสู่ความเสื่อมหรือเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนได้ในภายหลังจึงจะเป็นมหานิสงคือมีผลมากดังที่อุกกาหเทพพระบุตรผู้ได้เคยถวายทานอันเลิศแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าณเมืองเวสาลีในการต่อมาไม่นานได้ทำกาละคือตายลงและได้ไปบังเกิดในเทวโลกแล้วได้ลงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณพระวิหารเชตวัน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสกุยกหะเทพระบุตรเป็นพระคาถามีความว่าผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ได้ของประเสรย่อมถึงฐานะอันประเสรยนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสรยนรชนนั้นจะบังเกิดที่ใดใดย่อมมีอายุยืนและมียศดังนี้ อันหนึ่งดังที่เด็ ก, กล่าวมาแล้วว่าทานกุศลคือบุญกุศลคุณความดีด้วยการเสียสละหรือการให้ปันทรัพย์สิ่งของอันเป็นของตนให้แก่ผู้อื่นเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์หรือเพื่อบูชาคุณหรือเพื่อตอบแทนพระคุณผู้มีอุปการะคุณแก่ตนอันเป็นบุคคลผู้มีปัญญาได้ประพฤติปฏิบัติบ่อยๆจนมีอัธยาศัยในการเสียสละหรือบริจาคที่แก่กล้ายิ่งขึ้น ก็จะกลายเป็นทานบารมีทานอุปบารมีและทานประมัตถบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับดังปรากฏตามอธาธิบายของพระอัฏฐธกถาจารย์ในคัมภี์วิสุทธะชนะวิลาสินีอัฏฐธกะถาขุทกนิกายอปะะทานในบทที่ว่าด้วยสุเมธกถามีความว่าการบริจาคสิ่งของภายนอกจัดเป็นทานบารมีการบริจาคอวัยวะน้อยใหญ่ จัดเป็นทานอุปบารมีการบริจาคชีวิตจัดเป็นทานปรมาถบารมีผู้รู้จักเสียสละรู้จักให้หรือแบ่งปันประโยชน์สุขส่วนตนและหรือให้ทําเป็นทานเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นแก่ชนหมู่ใหญ่หรือแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวมจนแก่กล้าเป็นทานบารมีทานอุปบารมีและเป็นทานปรมัตทบารมีนี้นี่แหละย่อมเป็นอริยทรัพย์คือเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐ กล่าวคือเป็นคุณธรรมอยู่ภายในจิตสันดานที่ไม่มีใครผู้ใดสามารถแย่งชิงเอาไปได้และไม่รู้จักเสื่อมสลายด้วยพยันตรายใดๆจากภายนอกอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐนี้นี่แหละที่คอยติดตามให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติและผู้ทรงคุณธรรมนี้ให้เจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและถึงนิพพานสมบัติได้ตราบเท่าเข้าสู่ปรินิพพานความเป็นผู้มีบุญอันได้กระทาไวมาแต่ก่อน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 ที่จบไปนั้นก็เป็นปาตกถาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณในเรื่องความเป็นผู้มีบุญมาก่อนเป็นมงคลอันสูงสุดวันนี้รายการธรรมะส่สันตินำมาฝากท่านผู้ฟังให้ได้ศึกษาธรรมะในเรื่องของบุญทานการกุศลซึ่งรายการธรรมะของวัดหลวงพสดได้นำเสนอธรรมะบรรยาย และปะตาตกถาธรรมสู่ท่านสาธุชนเป็นประจำสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมโปรดติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขความเจริญและสัพพมิ่งมงคลจงมังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร